จะน อ, ผอนผท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่องสงในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันสาวที่20เมาษายนพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อมา ทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมพราะมีศรัทธามีความเชื่อว่าการการะทำอาจที่พระุทธเจ้าได้สอนให้กระทำนั้นจะนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญ ที่แท้จริงที่ถาวรนำพาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงที่ท้ทททาวรเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้และได้ทรงปฏิบัติจนได้นับความสุขและความเจริญที่ถาวรและได้หลุดค้น จากความทุกข์อยากถาอออนมาแล้วจึงได้นำเอาวิธีการปฏิบัติมาสั่สอนให้แก่ผู้ที่อยากต้องการความสุขความเจริญต้องการความหยุดพ้นจากความทุกข์ถ้ามีศรัทธามีความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติ ชีวิตก็จะมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุขได้พ็ทรงตรัสว่าชีวิตของเรานี้ก็เป็นเหมือนการเดินทางตอนที่เราเกิด น, นี้ก็เป็นเหมือนตอนที่เราขึ้นรถโดยสาร รถโดยสารก็จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางพอถึงจุดหมายปลายทางเราก็ต้องลงจากรถโดยสารถ้ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางถึงบ้านของเราเราก็ต้องขึ้นรถโดยสารขบวนต่อไปขึ้นลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง บ้านของเราถึงสถานที่ที่ปลอดภัยที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์บ้านที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ดนำทางไปถึงแล้วงดยนต์โดยสารที่เรากำลังอัสกำลังนั่งอยู่นี้ก็คือร่างกายของเรา ร่างกายของเรานี้เป็นเหมือนรถยนต์โดยสารคันหนึ่งที่จะพาเราไปจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งเวลาเราเกิด น, นี้ก็เหมือนกับเราได้ขึ้นรถยนต์โดยสารแล้วพอเวลาเราตายเวลาร่างกายนี้ตายไปก็เหมือนกับเราได้ลงจากรถยนต์โดยสารถ้าเราถึงบ้านแล้ว เราก็ไม่ต้องขึ้นรถนต์โดยสารคันใหม่แต่ถ้าเรายังไปไม่ถึงบ้านเราก็ต้องเปลี่ยนรถยนต์โดยสารเราขึ้นคันใหม่ต่อไปเราก็จะไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะถึงบ้านของเรานี่การที่เราจะไปถึงบ้านของเราหรือไม่นี้ก็ขึอนอยู่กับการ เรื่องทางเดินของเราทางเดินของเรานี้มีสองลักษณะด้วยกันทางเดินเป็นที่เป็นทางตรงที่พาให้เราไปถึงบ้านของเราได้อย่างรวดเร็วและทางอ้อมหรือทางวนที่จะไม่พาให้เราไปถึงบ้านของเราทางตรงนี้ก็ทางที่พระพุทธเจ้าได้ เดินไปได้นก็เดินไปคือทางแห่งการทำทานทางแห่งการรักษาศีลทางแห่งการภาวนาพัฒนาจิตใจให้สงบให้สะอาดให้ฉลาดนี่เป็นทางที่จะพาให้เราได้ไปถึงบ้านของเราอย่างแน่นอน ถ้าเราไปอีกทางหนึ่งที่เรียกว่าทางวนทางวนรอบวงเวียนเราก็จะไปไม่ถึงบ้านของเราเราก็จะวนอยู่กับรอบวงเวียนทางนี้ก็คือทางแห่งการหาลาภยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายที่จะทำให้เราต้องวนเวียนอยู่ กับการหาลาภหายุทหาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายไปไม่มีวันสิ้นสุดทางนี้เขาพุทธเจ้าก็เคยไปมาแล้วและทรงเห็นว่ามีแต่การเกิดมีแต่การแก่มีแต่การเจ็บมีแต่การตายตามมาเสมอ พระองจึงไม่ปรารถนาที่จะไปทางนีจึงทรงไปตามทางที่นักปรารทั้งหลายได้ไปกันก็คือไปบวนออกเป็นนักบวนทำทางสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่มีอยู่นี้ไปจนหมดแล้วก็ออกแปรบวนไปรักษาศีล ไปภาวนาไปชำระเหตุที่จะทำให้ใจของเรานั้นเดินวนอยู่ในวงเวียนแห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็คือความอยากได้ลาภยศสรรเสริญความอยากได้รับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ผู้ที่ต้องการที่จะหลุดออกจากวงเวียนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นจะต้องออกจากการแสวงหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการหยุดความอยากได้ราบยศสรรเสริญหยุดความอยากได้ความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการเดินไปอีกทางหนึ่งทางที่จะพาไปสู่การหยุดแห่งการหยุดของการเรียนว่ายตายเกิดก็คือการปฏิบัติเพื่อหยุดความอยากในลาภยศสารเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เเช่นเราจะไม่ใช้เงินทอง ไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาเราจะใช้เงินทองไปหาความสุขทางความสงบของจิตใจด้วยการเอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขต่างๆนี้มาทำบุญให้ทานมาให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากลบาบากหรือให้กับใครก็ได้ ข้อสำคัญขอให้เราอย่าเอาเงินทองมาเป็นเครื่องมือซื้อความสุขเพราะถ้าเราใช้เงินทองซื้อความสุขมันก็จะทำให้เราติดนิดสัยต้องซื้ออยู่เรื่อยๆเพราะความสุขที่เราซื้อนี้มันไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอมีแต่จะเกิดความหิวเกิดความอยากได้ความสุข เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราต้องใช้เงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ต้องหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาใช้กับการซื้อความสุขเหล่านี้ชีวิตของเราก็จะวนเวียนอยู่กับการหาเงินกับการใช้เงิน และต้องเสี่ยงอยู่กับการทำบาปเพราะเวลาที่ต้องการเงินมากมากและ ต, ต้องการเงินอย่างรวดเร็วและง่ายดายก็อาจจะต้องไปทำบาปเช่นไปลักทรัพย์ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปโกหกหลอกลวงเึ่งมจะทำให้เราติดกับของอาบายคือ แทนที่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเราก็จะต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างเพราะนี่เป็นที่สำหรับผู้ที่ทำบาปเป็นเหมือนคุกดารางคนที่ทำผิดกฎหมาย ก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับไปลงโทษจับไปฐานคุกขําต่างแต่คนที่ทำความดีก็จะได้รับรางวัลได้เงินได้ทองหรือได้ตั๋วไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนี่คือคนที่ทำบุญไม่ทำบาปคนที่ทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็คือทำบุญอยู่เรื่อยๆ เพื่อตัดความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเราทาไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นผลที่ดีจากการทาบุญให้ทานเราก็จะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่ได้ละงับการความอยากที่จะใช้เงินทองไปซื้อข้าวของต่างๆ ก็จะทำให้เราอยากจะทำบุญให้หมดเลยอยากจะหาความสุขทางใจก็จะสะละสมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ออกบวชได้ออกมารักษาสีลของนักบวชได้การรักษาสินของนักบวชก็เป็นการปิดกั้นความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เอง ผู้ที่สื้อสินของนักบวชก็คือศินแปดจำเป็นจะต้องยุติการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นยุติการหาความสุขจากการดื่มรับประทานมากจนเกินไปยุติการหาความสุขจากการแต่งกายด้วยเสื้อผ้ า, าพรสวยๆงามๆแต่หน้าทาปาก ใช้น้ำหอมใช้น้ำมันต่างๆเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมในร่างกายแล้วก็ยุติการหาความสุขจากการบันเทิงต่างๆเช่น ก, การดูภาพยนตร์ดูละครจากการฟังเพลงจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆราะ เป็นเหตุที่จะทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองตราบใดที่เรายังมีความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายตราบนั้นเราก็ยังต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็คือต้องมีร่างกายเพราะว่าร่างกายนี้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นไว้สำหรับเสีลรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัท ที่จะให้ความสุขแก่ผู้พูดีด่เศษแต่เป็นความสุขประเดียวประดาวเป็นความสุขที่เหมือนกับที่ได้จากการเสพยาเสพติดเพราะเสพแล้วก็จะติดเวลาไม่ได้เสพก็จะมีความเศร้าซ้อยหงอยเหงากวนกวายกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับ เป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเป็นความสุขเพียงเดีย ว, ยวในขณะที่ได้เสกท่านั้นพอผ่านไปแล้วมันก็เกิดความหิวเกิดความอยากเสกขึ้นมาใหม่การรักษาสิ่งแปคือรักษาสิงี่2ิของนักบวชนักปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะปิดกั้นความอยาก ที่จะเป็นตัวผลักดันให้ไปเรียนว่ายตายเกิดนั่นเองแต่การรักษาสีนี้ไม่สามารถทําลายความหยากได้อย่างถาวรเป็นเหมือนรั้ว ก, กั้นไว้ท่านนั้นเป็นเหมือนคอกเหมือนรั้วที่เราจะไว้กันสัตว์เลี้ยงเช่นวัวควายไม่ให้ออกไปเพ่นท่านไปสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ชาวบ้านเราต้องมีข้อควยสำหรับขังวัวขังควายฉันใดความอยากนี้ก็เป็นมูลอัวมูลควายถ้าเราไม่มีข้อคือไม่มีสิ่งปล่อยให้ทําไปตามความอยากก็จะไปทําร้ายผู้อื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้กระทา พอเมื่อไปทําร้ายผู้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ผู้ก็จะต้องกลับมาทําร้ายผู้ที่กระทานั้นหรือไม่เช่นนั้นก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับไปลงโทษจับไปขังคุกขังตาลากเพื่อที่จะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้แต่ถ้าเรามีข้อคือมีศีลมีศีลแปล แล้วเราก็จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครไม่มีใครจะต้องมารับการเดือดร้อนจากการกระทาของเราเลยเมื่อเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราก็จะไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจใจของเราก็จะเย็นสงบมีความสุบเราก็จะพร้อมที่จะทำการทำใจให้สงบได้ ระดับ ห, หนึ่งก็คือการภาวนาข่านต้นก็คือสมถะาภาวนาทำใจให้สงบนิ่งอย่างเต็มที่ความสงบของใจที่เกิดจากการมีสีนี้ยังไม่นิ่งเต็มที่เพียงแต่ว่าสงบพอที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้่แต่ถ้าต้องการให้สงบนิ่งอย่างเต็มที่จำเป็นจะต้องนั่งหลับตา บริกรรมพุทโธพุทโธ ท, ที่เรียกว่าการนั่งสมาธินี่คือสมถะ ภ, ภาวนาภาวนาก็คือการทําใจให้สงบนี่เรียกว่าสมถะภาวนาถ้าใจสงบได้ใจจะมีความสุขมากมากกว่าความสุขที่ได้จากราบรสสรรเสริญมากกว่าความสุขที่ได้จาก รูปเสียงกลิ่นรสผมตาถ้าได้ความสุขแบบนี้แล้วก็จะสามารถยุติความอยากต่างๆได้เวลาเกิดความอยากก็าสามารถพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลได้ว่าการกระทําตามความอยากนี้ได้ความสุขเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ได้ความทุกขมามากกว่า เพราะว่าจะต้องหาอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้ตามที่ความอยากต้องการเวลานั้นก็จะมีความทุกข์ทรมารใจแต่ถ้าหยุดความอยากได้ไม่ทาตามความอยากได้ใจก็จะสงบมีความสุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการกระทาตามความอยาก นี่คือขั้นปัญญาที่เราจะใช้สอนใจหลังจากที่เราได้ทำใจให้สงบแล้วเวลาใจสงบแล้วใจจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอแต่พอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาความสงบนั้นจะถูกทำลายไปถูกกดไปด้วยความกังวลกงวลกระสักส่าย ที่เกิดจากความอยากถ้าเรารู้ว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้หายไปเพราะเกิดจากความอยากเราก็ต้องหยุดความอยากเราจะไม่ทําตามความอยากเพราะถ้าทาตามความอยากก็จะเพิ่มความไม่สงบความกังวลกังวความวุ่นวายใจต่างๆเพิ่มขึ้นไปอีกแต่พอเราหยุดความอยากได้ ความสงบก็จะกลับคืนมามา่เราก็จะเห็นโทษของความอยากติดตามว่าไม่ได้เป็นความสุขเลยเวลามีความอยากนี้มีความทุกข์มากกว่าเพียงแต่อยากเท่านั้นก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วเช่นอยากจะได้อะไรใจก็จะเริ่มกังวลกวลังวยกร ะ, ะสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับ พอได้มาก็ดีใจเพียงเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้สิ่งใหม่ต่อไปแล้วเวลาสูญเสียสิ่งที่ได้มาก็เกิดความเสีย อ, อกเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากความกวลกวายก็จะไม่มีความเสีย อ, อกเสียใจก็ไม่มีเพราะไม่มีอะไรจะเสียนี่แหละคือ สิ่งที่พวกเราไม่ค่อยพิจารากันเวลาเกิดความอยากแล้วจะต้องนิ่นเอาให้ได้อย่างเดียวถ้าไม่ได้แล้วจะเป็นจะตายให้ได้โดยไม่คิดเลยว่าได้มาแล้วมันทําให้เราสุขไปนานสักเท่าไหร่สุขไปไม่นานไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็อยากจะได้อย่างอื่นขึ้นมาแล้วแล้วพอได้มาก็ต้องคอยดูแลรักษา ต้องมาวิตกกังวลเวลาหายไปก็เสีย อ, อกเสียใจนี่คือสิ่งที่เราควรจะใช้ปัญญาพิจารณากันเพื่อจะได้ส ก, กัดหรือกํำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจให้สอนใจให้รู้ว่าเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่ในตัวเราเอยู่แล้วก็คือความสุขที่ได้จากความสงบนี้ ดังนั้นบเบื้องต้นก่อนที่เราจะใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากได้เราจาเป็นจะต้องมีความสงบมีความสุขทางใจก่อนขั้นต้นก็อาศัยการทำบุญให้ทานเราก็จะได้ความสุขความสงบทางใจในระดับนแล้วเราก็มารักษาสี่ป้องกันไม่ให้ความอยากไปทำในสิ่งที่จะทาให้เกิดความเสียหายตามมา เราก็จะได้รับความสงกอีกระดับหนึ่งแล้วพอเรามานั่งสมาธิทาใจให้สงบเราก็จะได้รับความสงบอย่างเต็มที่อย่างสูงสุดแต่การที่จะรักษาความสงบอย่างเต็มที่อย่างสูงสุดนี้ให้อยู่กับเราไปอย่างถาวรเราก็ต้องคอยกำจัดความอยากเวลาเกิดความอยากเราก็ต้องสอนใจให้หยุด ไม่ให้ไปทําตามความอยากถ้าเรามีความสงบมีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็จะสามารถหยุดความอยากได้แต่ถ้าเรายังไม่มีความสงบจากสมาธิเวลาเกิดความอยากนี้เราจะหยุดไม่ได้เพราะเราจะไม่มีกําลังไม่มีความสุขที่จะต้านความอยากจะไปหาความสุขชนิดอื่น แต่ถ้าเรามีความสงบจากสมาธิแล้วเราจะมีความสุขที่ดีกว่าดังนั้นเวลามีความอยากจะไปหาความสุขที่ได้วกว่าเราก็สามารถหยุดได้นี่คือคุณค่าของการมีความสงบเกิดจากการให้ทานเกิดจากการรักษาศีลและเกิดจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบ ถ้าเรายัางไม่มีความสงบสุขจากการทำทานจากการรักษาสิ่จากการภาวนาเราจะไม่สามารถสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆได้เพราะใจจะหิวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะอยากได้ทันทีเวลาเห็นอะไรที่เคยเคยได้เคยได้เสกได้สัมผัสมาก็อยากจะเสกทันที ดังนั้นเราต้องทอําบุญให้ทานก่อนแล้วก็รักษาสิงอย่างน้อยก็ต้องศิงหแปดขึ้นไปถ้าเราอยากจะรักษาใจของเราให้สงบพอที่จะทําให้เราปฏิบัติทําใจนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้รักษาศิงหแปดได้เราก็จะนั่งสมาธิได้พอเรานั่งสมาธิทาใจให้สงบได้เราก็จะมี กำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้เพราะเรารู้ว่าเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากความอยากต่างๆนั่นเองนี่คือเรื่องของการปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาและได้นําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรา พวกเราทุกคนนี้มีสิทธิ์มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้ทุกคนเพราะว่าเรามีเรามีความสามารถมีร่างกายมีจิตใจมีความสามารถที่จะฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมและเข้าใจเราไม่เหมือนพวกเดรัจฉาน อย่างสุนัขที่มาอาศัยอยู่ในวัดถึงแม้จะอยู่ใกล้กับพระพุทธศาสนาแต่เขาไม่มีความสามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะเขาไม่เข้าใจภาษาของมนุษย์นี่จาเป็นจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะเข้าถึงพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ มนุษย์นี้แหละเป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามและบรรลุมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบรรลุได้พระอรหารตสาวกพระอราิยสงสาวกทุกทุ ก, ทกพระองค์นี้ล้วนเป็นมนุษย์ทั้งนั้นน้อยมากที่จะเเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสัตว์ชนิดอื่นมีบ้างก็พวกเทวดา ที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติ บ, ตบรรลุมรคนิพพานได้เช่นพระพุทธมารดาที่หลังจากเสด็จสวนมคตไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเทพพอพระพุทธเจ้าตัดสัูวแล้วก็ทรงติดต่อกับพระพุทธมารดาผ่านทางกระแสจิตสามารถสั่งสอนพุทธมารดา ให้บรรลุเป็นพระโสดาบันไดเป็นพระอาริยเอกชนได้แต่ถ้าพวกสัตว์เดรัจฉานี้ไม่สามารถสอนให้เขาบรรลุมรรคผลนิพพานได้เช่นสัตว์ที่อุปถาพระพุทธเจ้าคือลิงกับช้างพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถสอนให้เขาบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ นี่คือความสำคัญของการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เท่านั้นที่จะมีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพาบนบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่การเป็นมนุษย์เพียงอย่างเดียวนี้ไม่เพียงพอเพราะว่าถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนของพ่อพระเจ้าก็จะไม่รู้จักทาง ที่จะพาไปสู่มรรคผลนิพพานนั่นเองดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีสองส่วนด้วยกันคือส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นมนุษย์ส่วนที่สองก็ต้องมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือมีพระพุทธศาสนาให้พวกเราได้เข้ามาศึกษาฟังเทศฟังธรรมพอเราได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนกับการได้ดูแผนที่ เราก็จะรู้จักทางที่จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันนั่นก็คือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแผนที่นี้ก็คือพระธรรมคำสอนที่สอนให้พวกเราปฏิบัติกันคือทานศีลภาวนาที่เงสามข้อนี้ขอให้เราปฏิบัติกันให้ได้เถอ รับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เลิศที่ประเสริฐอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไม่รีบปฏิบัติภายในชาตินี้ถ้าเราตายไปก่อนที่เราจะถึงจุดหมายปลายทางเราก็จะไม่รู้ว่าพบหน้าชาติหน้าเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เมื่อไหร่และเมื่อกลับมาเกิดแล้ว จะได้พบกับพระพุทธศาสนาเีกหรือไม่เพราะว่าพระพุทธศาสนานี้ก็มีอายุเหมือนกันเหมือนกับร่างกายพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่าจะมีอายุไม่เกิน 5,000 ันปีด้วยกันนี่ก็เลยมาครึ่งหนึ่งแล้วสอง0กว่าปีแล้วถ้าเราตายไปแล้วเกิดเราต้องไปใช้บุญใช้บาปก่อน กลับมาอาจจะเลย 5,000 ปีไปแล้วก็ได้กลับมาตอนนั้นอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนามาเป็นแผนที่บอกทางให้กับเราก็ได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยเวลาที่มีคุณค่าในการเป็นมนุษย์ในชาตินี้ให้หลุดมือไปควรจะรีบใช้ร่างกายของเป็นของของมนุษย์นี้มาปฏิบัติ ต า, ามก็ทําทําำสอนของพระพุทธเจ้าจะดีกว่าเพราะผลที่เราได้รับนี้เป็นผลที่มีคุณค่ากว่าผลที่เราได้รับจากการกระทำอย่างอื่นเช่นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการหาลาภวดสรเสรสนี้เป็นผลที่ไม่มีคุณค่ามากนักและเป็นผลที่ชั่วคราวเท่านั้น ไม่ใช่เป็นผลถาวรตายไปเราเอาผลต่างๆเหล่านี้ติดตัวไปกับเราไม่ได้เลยเราเอาลาบยศสารเสริญเอาความสุขทางตาหูจมูกวิ่งกายไปกับเราไม่ได้เลยแต่เราสามารถเอาความสุขที่เกิดจากความสงบไปกับใจของเราได้ถ้าเรายังทำไม่เสร็จแต่ถ้าเราทำถึงขั้นที่เรามีแผนที่ เอาติดตัวไปได้เราก็ไม่ต้องอาศัยพระพุทธศาสนาอีกต่อไปเช่นถ้าเราได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเราถือว่ามีแผนที่มีพระพุทธศาสนาติดไปกับใจของเรากลับมาเกิดชาติหน้าถึงแม้จะไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็ยังสามารถปฏิบัติเดินทางไปตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนาเนินได้ พะเรามีแผนที่ติดไปกับใจของเราพระโสดาบันนี้เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมมีแผนที่มีดวงตาเห็นแผนที่แล้วรู้ว่าแผนรู้ว่าทางที่จะพาให้ไปสู่การหลุดพ้นนี้อยู่ที่การทำทานรักษาสิ่งภาวนานี้เองน่าจะจำไปได้จนวันตายกลับมาเกิดใหม่ตีภค ก, ก, กีชาติก็จะไม่ลืมทางนี้ พระโสดาบันจึงมีภบชาติไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะสามารถเดินทางไปถึงพระนิพพานได้ดังนั้นถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติถึงขั้นพระอาหารหันต์ได้ก็ขอให้เราพยายามปฏิบัติให้ถึงขั้นพระโสดาบันให้ได้ด้วยการภาวนานั่งสมาธิให้มากๆแล้วให้พิจารณาความไม่เที่ยงของสังขารให้มากมา พิจารณาว่าร่างกายของเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราพิจารณาจนหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เราก็จะมีดวงตาเห็นทองเราก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันไดนี่คือการกระทำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจของเรา ที่เป็นเหมือนผู้เดินทางในพบน้อยพบใาญ่นานๆทีหนึ่งเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งนานๆครั้งหนึ่งเราจะได้มีโอกาสได้เดินทางไปสู่พระนิพพานกันดังนั้นขอให้เราอย่าปล่อยโอกาสอันดีนี้ให้หลุดไปจากมือของเราขอให้รีบเพียนปฏิบัติทานศีลภาวนากันทุกวั น, ท, วนทุกเวลา ถึงพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นไปตามลำดับจนปฏิบัติได้เต็มร้อยแล้วรับรองได้ว่าผลอันดีอันเลิศ อ, อันประเสริฐจะเป็นผลที่จะต้องตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุญปศีรัตนาจเรื่องบุนกุศ์